ในช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็เริ่มที่คลายลงนะรัฐบาลก็จะเรียกว่าผ่อนมาตรการต่างๆบางมาตรการนี้ก็ยกเลิกไปเลยแล้วก็เหมือนกับให้ความหวังให้สัญญาว่านะพวกเราคนไทยนี่จะได้ใช้ชีวิตตามปกติภนะายในเดือนนี้นะหลายคนกนะ็ถือเป็นโอกาสนะที่จะได้ กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่บางคนนี่ก็อาจจะถือเป็นโอกาสนาะที่ได้ทําในสิ่งที่เกินปกตินะเช่นไปเที่ยวนะตามที่ต่างๆนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดแต่ จ, จะไปเที่ยวตามผับตามบาร์อันนี้ในแง่หนึ่งก็ถือเป็นธรรมดาของคนนาะที่ อยากจะผ่อนคลายแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าในความอยากเนี่ยที่จะไปเที่ยวไปเล่นเนี่ยมันอาจจะมากกว่าปกติก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะามันถูกออดกั้นมานานนะผู้คนจนํานวนไม่น้อยเนี่ยก็รู้สึกว่าสองปีกว่าที่ผ่านมานี่ต้องอดกั้นหลายสิ่งหลายอย่าง ด้วยเพราะการเที่ยวการเล่นนะพอการมากๆเนี่ยถึงเวลาที่จะปล่อยนะมันก็บางทีก็กลายเป็นระเบิดเลยนะหรือแม่มันก็พลั่งพลวงมาอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าแม่ทำให้เราเนี่ยนะทำอะไรที่เกินเลยหรือว่าขาดความระมัดระวังได้ นะเช่นไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนาไม่ได้ไปเที่ยวทะเลไม่ได้ไปเที่ยวเกาะอยากไปใจจะขาดขับรถเนี่ยขับรถเร็ ว, รวๆนะเพราะว่าอยากให้ถึงไวๆมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือคนเนี่ยนะพอรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวแล้ว มันก็เหมือนพึ่งแตกรังแล้วก็แห่กันไปแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเทศกาลอย่างสงกรานต์ปีใหม่แต่คนก็แห่กันไปจราจรก็ติดขัดอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นในงง่ายอันนี้เพราะว่าความรู้สึกว่ามันอยากจะปลดปล่อยนะบางคนมีความรู้สึกถึงขั้นว่าอยากจะเอาคืนนะอยากจะเอาคืนเพราะว่าที่ผ่านมานี่มัน เหมือนกับว่าถูกบีบคั้นถูกกดดันนะทุกทรมาเหลือเกินคราวนี้ฉันมีโอกาสแล้วฉันจะเอาคืนแล้วเนี่ยเอาคืนนี่เอาคืนทั้งเที่ยวทั้งเล่นแล้วบางทีก็ช็อปนะช็อปเรียกว่าช็อปแลกแล้วก็มีเพราะว่าที่ผ่านมานี่นะไม่ได้ช็อปหรือบางทีก็ อาจจะรู้สึกว่าอดกลั้นมานานมีความทุกข์มากอยากจะหาความสุขทดเชยความสุขของหลายคนเนี่ยนอกจากการเที่ยวการเล่นแล้วก็ลดในการช็อปด้วยนะบางทีชอบจนหน้ามืดเลยเนะที่ประเทศจีเนี่ยตอนที่เขาพลายมาตรการล็อกดาวน์ตอนที่เกิด โควิดแพร่ระบาดแล้วลอกแรกเนี่ยนะเมื่อสองปีก่อนเนี่ยเขาก็ล็อกดาวันเป็นเดือนเลยนะหลายคนก็รู้สึกเก็บกดมากนะพอคลายมาตรการล็อกดาว น, นี่โอพยาอว่าร้านสินค้าแบรนด์เนมนี่คนแห่เข้าไปซื้อกันตั้งแต่เช้าจดค่ำเลย บางคนนี่ไปตั้งแต่เช้านะกว่าจะกลับนี่ก็กว่าจะออกมาคนสุดท้ายมีบางรายนี่ซื้อตะบันเลยนะหมดเงินไปเป็นล้านรูดบัตรจนเพลินกระถางยังไม่รู้เลยนะว่าจ่ายไปเท่าไหร่ฉันจ่ายไปสี่ล้านแปดหรือว่าสี่ล้านห้ากันแนะ่จำไม่ได้เลยนะเพราะว่า อชอบแบบเรียกว่ากระจายนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาคืนนะเสร็จแล้วก็บางทีเป็นหนี้นะใช้จ่ายเกินตัวเพราะมันชอบกระจายเนี่ยหรือบางคนนี่ไม่ได้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไม่ได้กินเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนมานานตอนนี้ผ่อนคลายแล้ว มีเสรีภาพแล้วกินเหล้ากันนะอย่างเต็มที่เลยก็เหมือนกันนะเอาคืนแต่ก็อาจจะกินไม่มากนะแต่คราวนี้เนี่ยกินเยอะเลยมากกว่าเดิมสองสามเท่าเพื่อเอาคืนนะเพื่อชดเชยเสร็จแล้วเป็นยังไงนะเมาพอเมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ รถยนต์งหรือว่าชชกต่อยกันมั่งบางทีจะจะตายหรือว่าจะเดือดร้อนกันก็ช่วงนี้แหละช่วงที่มีเสรีภาพมากขึ้นนะที่จะทำอะไรก็ได้ในการที่เราเก็บกดหรือว่ารู้สึกว่าถูกเก็บกดนะแล้วก็พอถึงเวลานี้มีเสรีภาพเนี่ยมันต้องระวังนะเพราะมันจะระเบิดออกมา ไอ้ความอยากมันจะพรางพรวงมาจนบางทีทาอะไรที่สุดโตรงลืมตัวอย่างมีหนะ้าบางรายเนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะมาบวชพระเดิมก็เป็นคนติดเหล้านะพอมาบวชพระนี่ก็ต้องอดนะอดเหล้าก็อดได้นะอันนี้ก็น่านมโมฐานาแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องเก็บกด ความอยากเอาไว้พอออกพรราลนะี่ยรีบศึกเลยแล้วก็อย่างแรกที่ทำเนยะก็คือไปกินเหล้าแล้วก็กินเหล้ามากกว่าปกติความคิดก็คือเอาคืนนะเอากินเหล้ามากกว่าปกติน้ำก็เมาเพอเมานี่ก็ไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วทะเลาะวิวาสกับคนตัวบางทีมีการ ทุบตีกันบางที่ถึงตายแล้วก็มีนะศึกไปแค่แค่วันสองวันก็ตายนะเพราะว่าความเมาและที่เมาเพราะอะไรนะเพราะว่ามันต้องการเอาคืนระวังนะไอ้ความคิดว่าจะเอาคืนเนี่ยนะหลังจากปลดล็อกเรื่องโควิดนี่นะ ไม่ว่าจะเป็นเอาคืนด้วยการกินให้เต็มที่หรือเที่ยวให้สุดเวียงหรือว่าชอบกระจายนี่เราจะถูกเอาคืนนะเราคิดจะเอาคืนเขาแต่ว่าแปลมาถูกเอาคืนกินเหล้าจนกระทั่งเมาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุหรือว่าชอบกระจายนะจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินหรือบางทีเนี่ยนะพอไม่ระมัดระวังเนี่ย ลดกาศบพราว่าติดโควิดเข้าไปแล้วโควิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันถายไปอย่างสิ้นเชิงนะคนก็ยังติดโควิดกันหรือป่วยเพราะโควิดนี่วันนึงก็สองสามพันคนนี่ตัวเลขทางการนะไอ้ที่ติดแล้วก็ไม่มาแจ้งเนี่ยรักษาตัวที่บ้านเนี่ยก็มี สองสามเท่าหรือสามสี่เท่าหรือีเดียวแล้วที่ตายก็ยังมีกันนะตัวเลขก็ยังสองหลักอยู่นะที่ตายเพราะโควิดเนี่ยเพราะนั้นนี่ประมาทไม่ได้หรือถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะกลายเป็นศูนย์นะแต่ถ้ามันมีความคิดว่าจะเอาคืนเนี่ยมันก็เสี่ยงอันตรายนะให้กลับมาดูใจของเรานะมันมีความอยากก็จริงแต่ว่าค่อยๆปล่อยค่อยๆผ่อนเนี่ย ปลอดภัยกว่าปล่อยมันเต็มที่นะมันก็เหมือนกับน้ําเนี่ยที่ถูกกักไว้ในเขื่อนนะพอปล่อยเต็มที่นี่มันจะเขื่อนแตกเลยนะแต่ถ้าค่อยค่อยปล่อยค่อยปล่อยนะเออมันก็จะค่อยค่อยไหลออกมาสําหรับบางคนก็ยังต้องการสิ่งนี้นะต้องการความสุขจากการเสพจากการกินการเที่ยวการช็อปนะอันนี้ก็เป็นธรรมดานะของ ปุถุชนนะที่ยังไม่รู้จักพบความสุขภายในแต่ถ้าปล่อยให้ความอยากนี่มันเอาชนะเราครอบงําเราหรือปล่อยให้ความอยากนี่มันระเบิดออกมานี่มันก็เหมือนเขื่อนแตกนะหรือเหมือนกับลูกบองนะลูกปองเนี่ยนะถ้ามันเราไปเจาะแม้จะเป็นรูเล็กๆนี่มันมันแตกได้เลยนะ พัลมที่มันพลั่งพรวดมาเนี่มันเรียกว่าออกมาเต็มที่เลยย้ายชีวิตเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นพอปล่อยให้ความอยากนี่มันออกมาแบบไม่รู้จักยับยัง้งค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อ ย, อ ย, อ ย, อยทำอย่างมีสตินะแม้จะเสพแม้จะเที่ยวก็ทำอย่างมีสตนะิอย่าไปคิดว่าเนี่ยได้เวลาที่จะเอาคืนละ เพอรเพอนี่เราจะถูกเอาคืนแทนนะเรียกว่าเป็นพ่อขาดสติเป็นเพราะไม่ระมัดระวังเป็นเพราะว่าปล่อยให้ความอยากนี่มันท่วมท้นใจต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจบ้างมันก็จะช่วยทาให้เราปลอดภยนะัยปลอดภยอัยจากโควิดแล้วก็ปลอดภัยจากการถูกเอาคืนด้วย